มงคลชีวิตมงคลที่สิบห้าการให้าทานทานนั้นจะเอตามังคลมุตตังทานหมายถึงการให้ เช่นการให้วัตถุสิ่งของแก่ผู้อื่นมีการให้ข้าวและน้ำเป็นต้นประเภทของการให้ทาน 1. อามิสทานได้แก่ให้วัตถุสิ่งของหรือให้ปัจจัยสี่มีเสื้อผ้าเป็นต้น 2. ธรรมทานได้แก่ สอนหรือบอกกล่าวทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือบอกกล่าววิชาความรู้ที่ไม่เป็นโทษเพื่อให้ผู้รับดำเนินชีวิตได้อย่างผาสุข 3. อภัยทานได้แก่ให้ความไม่กลัวหรือให้ความไม่เบียดเบียนแก่ผู้เบียดเบียน 4. ปฏิทานได้แก่ให้ส่วนกุศลที่ตนกระทาแล้ว แก่ผู้ยังมีชีวิตอยู่และผู้ล่วงลับไปแล้ว 5. อนุโมทนาทานได้แก่ให้ความเห็นชอบชื่นชมความดีที่ผู้อื่นกระทาผลที่เกิดจากการให้ 1. ให้ข้าวชื่อว่าให้กำลัง เพราะผู้รับบริโภคแล้วเกิดกำลัง 2. ให้ผ้าชื่อว่าให้วันนะเพราะผ้าช่วยปกป้องผิวจากหนาวร้อน 3. ให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขเพราะผู้โดยสารไม่เหน็ดเหนื่อยกายใจ 4. ให้ประทีปชื่อว่าให้ดวงตาเพราะแสงสว่างทำให้มองเห็น 5. ให้ที่พักอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งเพราะพักแล้วเกิดกำลังผิวพรุ์ทองใสเป็นต้น 6. ให้ทมชื่อว่าให้ความไม่ตายเพราะผู้ฟังเข้าใจแล้วย่อมปฏิบัติเพื่อความไม่เกิดการให้ทานจัดเป็นมงคลเพราะ 1. บุญย่อมเจริญพอกภูน 2. อกิติศัพท์อันดีงามย่อมฟุ้งไป 3. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับ 4. จักเจริญด้วยโคพคศและบริวาร 5. มีสติปัญญาเจริญเพราะเป็นผู้ลุ่มลึก 6. เมื่อละไปแล้วย่อมเข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์